อาจารย์ครับกลาวนพัธกา ร, ร, การครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบหกแล้วนะครับพระอาจารย์ตรงกับวันเลือกตั้งพอดีครับพระอาจารย์ครับเมื่อเชานี้พระอาจารย์ไปใส่บาตรมีคนเยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยสิบเก้าคนอาจจะ น, น, น้อยอไปหน่อยไอเลือกตั้งมัน ครับผมอ๋อวันนี้คนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องกลับบ้านตัวเองหมดครับอาจารย์อืมขอบผมนล้วตอนบ่ายคนฟังธรรมเยอะไหมครับผมก็ร้อยสามสิบก็น้อยหน่อยสําหรับวันอาทิตย์ปกติมันจะเกือบสองร้อยร้อยเจ็ดิบร้อยแปดสิบครับผมแต่ก็ชมทางบ้านอีกเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ก็เท่าเดิมทางบ้านรวมแล้วก็หกร้อยกว่าวันนี้จะน้อยกว่าทุกทุกวันอาทิตย์ มาที่นี่เจ็ดร้อยขึ้นไปวันนี้หกร้อยสามสิบเก้าครับผมก็คงจะติดภารกิจเรื่องการเลือกตามกันบางส่วนนะครับอไปเลือกตามกันครับตอนนี้ที่นี่ก็อยู่ดูกันอยู่ประมาณเจ็ดร้อยคนครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมีคนสมหวังมีคนผิดหวังกันครับอาจารย์ก็เลยตั้งหัวข้อว่าแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรครับจะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผม ความสุขถ้าผมจะศาสนาเขสอนว่าอยู่ที่คําเดียวนะอยู่ที่คำคำว่าพอถ้าพอเราก็จะมีความสุขทันทีถ้าถ้ายังไม่พอก็ก็ต้องวิ่งเต้นดิ้นรนกันหาไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปมันก็จะวนเวียนอยู่ในวงจรนี้นะวงจรแห่งความทุกข์ ต้องเาความอยากพอได้มาก็ดีใจถ้าเดี๋ยวพอไดสิ่งที่ได้มาหมดไปก็เสียใจก็ทุกข์ใหม่ต้องหาใหม่หาก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าตามได้เราไม่รู้จักคําว่าพอท่านเราไม่ทําใจเราให้พอความอยากมันก็จะคอยผักดันให้ใจเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยๆได้แล้วก็ไม่หยิบไม่พอ ได้คือก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้ว่าได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้ไปเรื่อยๆถ้าไหลก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะสิ่งเราต่างๆเหล่านี้มันไม่ทําให้ใจอิ่มใจพอรู้ใจไม่อิ่มใจไม่พอใจก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องทให้ทําใจให้พอเมื่อกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัพย์ใจให้รอนด้วยการไปปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจพอความอยากต่างๆได้ถูกกำจัดหมดไปจากใจแล้วความสุขก็โผล่ขึ้นมาความพอก็โผล่ขึ้นมาไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวนสิน้นเป็นความสุขของพระนิพพานเอง ดังนั้นน no ัป็นความสุขที Britain, ่ไม่ไม่ยังยืนไม่ถาวรเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขจากลาบยศรเสิริญก็เป็นแบบความสุขแบบชั่วคราวนั้นแล้วก็ต้องหมดไปพอหมดก็ความความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เช่นเดียวกับการเข้าฌานขั้นต่างๆก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเข้าเราเดียวมันก็เวลาเข้าก็มีความสุขเวลาออกจากฌานมา ความสุขนั้นก็จะหายไปความอยากที่จะสร้างความทุกข์ความไม่พอก็โผล่ขึ้นมาอีกอมีทางเดียวก็คือต้องทำใจกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างสร้างความทุกข์สร้างความไม่พอให้กับใจใจก็จะอิ่มใจก็จะพอไปตลอดอ นี่คือวิธีหาความสุขที่ใจจริงอยู่ที่ใจของเราเนี่ยอยู่ที่การทําใจให้พอด้วยการจุดความอยากาต่างๆที่เป็นตัวทําให้ใจไม่พอพอตัวอยากนี้หมดไปความพอของใจก็โผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาความพอที่ไหนความพออยู่ที่การดับของความอยากพอหยุดความอยากได้ความพอก็โผล่ขึ้นมา ที่วันี้ถ้าคุณหมอไม่อยากไปไม่อยากไปเลือกตั้งไม่อยากจะไปสมัครเลือกตั้งคุณหมอก็พอแล้วอยู่เฉยๆก็พอแล้วใช่ถ้าอยากก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยากก็ต้องไปวิ่งเต้นหาเสียงไปทำอะไรต่างๆถ้ามันไม่พอตรงนั้นติดเพราะได้เลือกตั้งเข้ามาเป็นสอสาแล้วมันก็มีความอยากใ ห, ใหม่มารอต่อคิวที่อยากได้ตําแหน่งนั่นสิค่ะใช่ไปเรื่อยๆมันไม่มีวันสิน้นสุด พอได้ตำแหน่งแล้วก็ท่นเอก็อยากจะให้อยากจะให้ตําแหน่งนี้อยู่ไปนานๆเลย <c oughs> ไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นไม่ว่าเป็นตําแหน่งอะไรก็ตาม <c oughs> ก็อยากจะรักษาตำแหน่งนี้ไปนานๆแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นของไม่ทีนะ่เดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวก็มีปรับค อ, ลอรลม่เดี๋ยวก็มีการยุบสภาใหม่อก็ต้องวิ่งกันใหม่ ความสุขเหล่านี้มันความสุขเหนียวเดียวชั่วขณะที่ได้ค่ะคืนนี้ก็ดีใจกันคนที่ได้ก็ดีใจนอะไม่หลับแล้วพวกนี้ก็เริ่มวิงเว้นใหม่นะวิงเวียนหาหาตําแหน่งกันแล้วดิมันก็จะมีความอยากใหม่มารอรับอยู่เรืร่พอความอยากนี้ได้แล้วก็จะมีความอยากใหม่มารอรับ ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้มันก็มีความอยากใหม่มารอรับไว้แล้วถ้าไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้รับเรื่องสสอจะไปทำอะไรดีก็อยากไปทำนู่นทำนี่อีกอยู่เฉยๆไม่ได้จิตนี่ไม่มีไม่มีธรรมะแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีธรรมะรอเรื่องจิตใจต้องมีศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถรอเลี้ยงจิตใจให้อยู่นิ่งให้อยู่เฉยๆให้อยู่ปราศจากความอยากได้ เพรถ้าอยากจะพ บ, บความสุขที่แท้จริงต้องมาทางทางที่พระเจ้าทรงสอนทางแห่งศีลสมาธิปัญญาคือทางแห่ง น, นักบวชพวกนี้นั่นต้องกานบวบบวบบวบใจไปก่อนยังไม่ต้องเป็นนักบวชก็ได้เป็นฆรวาวาสฝึกศึกฝึกสมาธิฝึกรักษาศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาไปก่อนจนมีความความสุขมากพอที่จะพร้อมที่จะไป ปฏิบัติแบบแต่ลรูปแบบได้เห็นคุณประโยชน์ของศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงที่จะนำวามความสุขที่ยั่งยืนถาวามาให้กับใจก็จะมุ่งกันไปบวชกันพ อ, อบวชแล้วพอได้บรมมาสุขแล้วก็ไม่มีใครเสกแั้วผ้าหลานไม่มีร้านลูกใดผ้าหลานลู้ใดเสกนลอวพอได้พบกับบรมมาสุ นิบพานองประหลาสุขรังอันนี้แหละความสุขสุดยอดของของโลกของโลกอยู่ที่พั้นิพพานอยู่ที่การปฏิบรรัติสินสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่ตางๆให้หมดสิ้นไปจากใจในฐานะที่เรายังไม่ได้บวชเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามกําลรงของเราไปเราก็จะลดความอยากให้น้อยลงไปแล้ว ความสุขที่เกิดจากความพอก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับอยู่แบบสมถะเล่นงานก็มีความสมุงได้พระอาจารย์ครับความพอกับความไม่อยากแล้วมันทำให้เรารู้สึกใจมันอยู่เฉยเฉยหรือใจมันมีความสุขอะครับพระอาจารย์ครับเรามไม่อยาก คือไม่มีความอยากความไม่อยากนี่มันก็เป็นกเป็นความอยากอย่างหนึ่งไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายอันนี้ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งคือถ้าพูดว่าความไม่มีการไม่มีความอยากในใจนี่นะนั่นโดยเฉพาะความอยากสามประการที่พระเจ้าทรงสอนเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเช่นมีร่างกาย ก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยูไปนานๆให้มีอายุยืนยาวนานอยากให้มีอายุยืนยาวนานก็เรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ตายก็เรียกว่ิภาวะตัณหาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรืออย่างอื่นก็ได้สิ่งที่เราล้างเราชอบเรามักจะมีความอยากไม่ให้เขาจากออกไปมีภรรยาก็ไม่อยากให้เขาจากออกไปมีลูกก็ไม่อยากให้เขาจากออกไป มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่หยากให้เขาจากออกไปข้อหยาคนี้มันเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความกังว ล, งลงใจต่างๆขึ้นมาถ้าเราเห็นโทษของความอยาแล้ว เ, เราเห็นความจริงว่าเราเกิดมาในโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการจากกันอยู่ดีถ้าเรายอมรับความจริงอย่างที่เราที่อาทิตย์ ท, ท, ท, ท, ที่ผ่านมาที่พูดถึงยอมหยุดเย็น รเราอยอมรับอันนี้จาว่าโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกของความของโลกชั่วข่าวของทุกสิ่งทุกอย่างวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพลาดจากกันก็เราหยุดความอยากไม่ให้เขาจากเราไปเตรียมตัวเตรียมใจถอนเตือนใจอเรื่อยเดี๋ยวก็ต้องจากลราไปเรื่อยเดี๋ยวต้องจากเขาไปพอเกิดถึงเวลาจากกันใจเราก็จะไม่ถูก มันก็อยู่ที่ถ้าเราลัความอยากได้นะมันก็จะท้าค้ากับความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอขึ้นมนาะมันต้องเห็นทุกข์ก่อนต้อเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากก่อนแล้วมีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยมอยากไปก็ไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ก็ยอมรับว่าไม่สามารถเดี๋ยวรังสิ่งที่เรารักให้อยู่กับเราได้ก็ปล่อยเข้าไป พอปล่อยเข้าไปใจก็หยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้อดจากออกไปได้ใจเราก็จะสงบเย็นมีความสุขขึ้นมาแล้วมันต้องมันจะมันจะเห็นก็เห็นตอนที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วเราใช้ปัญญาวิเคราะห์เห็นใจของความที่ว่าเกิดจากความอยากของเราแล้วก็ละความอยากของเราด้วยการวิเคราะห์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นใจนะ ไม่เทียงเป็นสิ่งที่เราควบคุมมั่งคับไม่ได้เขาจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปพล่อยยามปล่อยให้เขาไปได้ใจแล้วก็หายทุกข์มีคุณมะปรางบอกว่าการเกิดมามีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนบางคนก็ยังอาจจะไม่เห็นความทุกข์ก็ได้เพราะบางทียังไม่ถึงเวลามาแลที่เขาจะต้องเห็นความทุกข์ เขาก็ยังอยู่บนกองเงินกองทองอยู่บนความสมหวังอยู่อยากจะได้อะไรก็ยังสามารถได้อยู่แต่เขาก็อาจจะลืมว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะเจอกับความผิดหวังมากขึ้นเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสีดาตลอดระยะเวลา ถ้าไม่เคยออกไปนอกวังเลยอยู่ในแต่ในวงังก็เห็นจากความสุขแต่พอวันหนึ่งท่านออกไปประทับไปด่ชมบ้านชมเมืองโดยไม่ได้มีการประกาศไม่มีการเตรียมจัดฉากไปก็เจอคนแก่คนเจ็บคนตายก็ได้เห็นสัจธรรมความจริงของร่างกายของโลกบอกว่าต่อไปก็เราเป็นอย่างนี้แต่เห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะมีใครคิดว่าโลกนี้การเกิดมานี้เป็นสุขหรอ แต่ว่าจะสุขมันก็เป็นสุขแค่ชั่วคราวสุขต้นแต่มันจะทุกข์ใจในบ้านปลายของชีวิตตอนนี้เรายัางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเราก็ยังสนุกสนานขึ้นเฮงเฮากันได้อยู่แต่เดี๋ยวพอไปเจอความแก่ขึ้นมนาะจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำยากเ ย, าย็นลับากจะเดินจะลุกจะนั่งอะไรแต่ละครั้งกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ เราถ้าเจอโครคภัยไข้เจ็บเองยิ่งไปกันใหญ่ในที่สุดก็ต้องไปเจอความตายกันทุกคนอมันก็เลยถ้ามองด้วยปัญญาโลกนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ถ้ามองด้วยความหลงมันกย็ยังให้ว่าลโลนี่มีความสุขกันอาจารย์มีคนคอมเมนต์บอกว่าเมื่อใดเห็นทุกข์เราถึงจะเห็นธรรมอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ ต้องเห็นทุกก่อนทุกครั้งไหมครับอาจารย์ครับคือต้องเห็นทุกแล้วเราจะได้หาหาหาธรรมะมาแก่ไงเพราะไม่มีอะไรที่จะแก้ความทุกข์ได้นอกจากธรรมะถ้าเอาโลกมาแก่เอาโล ก, กธรรมมาแก้เอาเอารายยศ ส, สรเสื่อสุขมาแก้มันก็ไม่ได้แก้แบบยั่งยืนถาวรแก้แบบชั่วคราวเช่นพอมีความทุกข์ใจสูญเสียแฟนไปสมมติก็ไปหาแฟนใหม่ี <laughs> ่มันมาชดเชย นะ ห, รหรือไปเที่ยวแล้วไปทําอะไรให้มันลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมามันก็หายไปเชื่อข่าวแต่เดี๋ยวพอเรากลับมาแล้วก็มาเจอเรื่องเก่าเรื่องที่ทําให้เราทุกข์อยู่ดีเราก็ต้องเข้าหาธรรมะกันในที่สุดนะคนเราที่ไปบวชกันที่ไปอะไรกันส่วนใหญ่ก็เห็นความทุกข์กันทั้งนั้นนะเป็นเข้าหาธรรมกันถ้ายังไม่ทุกข์ก็ยังไม่เข้าหาธรรมหรือถ้ายังมีทางอื่น ทางเลือกทางอื่นอยู่ก็ยังจะไม่ไปขอบพระคุณแพระอาจารย์ครับมีคุณบูมบอกว่าทุกใจหนักมากครับสูญเสียคุณแม่อายุ86ปีไปได้หนึ่งสัปดาห์ทุกใจนอนไม่หลับหลับตาก็ฝันร้ายทุกคืนเลยครับท่านเหรเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเตรมตัวคิดถึงการท้าทาจากกัน ที่ทุกขพเราอยากให้ท่านอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้ท่านจากเราไปภาวะตัณหาวิปภาวะตัณหาอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆก็เป็นภาวะตัณหาอยากอยากไม่ให้ท่านจากเราไปก็วิภาวะตัณหาเมันก็เลยทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยความจริงว่าคุณแม่ก็เป็นนั่งการคุณแม่ก็เป็นนิจจากมรณาตาเป็นของไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับ สั่งให้มันอยู่ไปนานไม่ได้ถึงเวลาเขาก็ต้องไปถ้าเราเห็นได้ปัญญาแล้วเราเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะหายทุกข์จากคุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับหลวงตาเขาขาดท่านรออยู่แต่โยมกำลังตัดฉันข้าวต้มก่อนกับข้าวต้มกับข้าวและอื่นๆด้วยครับท่านมานานสักคู่แล้วครับถามว่าบาปไหมครับ ไม่ตามเหมือนกันว่าพูดถึงใครอย่างไรหมอ เ, เข้าใจคำถามนะไม่เข้าใจครับเด็กน้องนุ่มน้อยลองเขียนเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราให้ทานแล้วยังเสียดายอยู่แบบนี้ได้บุญไหมครับอาจารย์ได้น้อยเพราะเรายังไม่ปล่อยถ้าอยากจะได้บุญเต็มน้อยก็เราก็ต้องปล่อยถือว่าเป็นของเขาไปแล้ว เราก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ว่าเขาไปกินเองหรือว่าไปให้คนนั้นคนนี้เรื่องทำอะไรอย่างไรกับของที่เราให้เขาไปใจมันผูกพันแล้วกใจก็จะวิตกกังวลขึ้นมาถ้าใจให้แล้วปล่อยถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของเขาแล้วเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาก็จะได้บุญเต็มร้อย คนที่เกิดมารวยแต่เป็นคนไม่ดีชอบเบียดเบียนผู้อื่นทําแต่เรื่องไม่ดีชาติที่แล้วชอบทําทานมากแต่ไม่รักษาสีในใช่หรือเปล่าครับมันก็การทําทานชาติที่แล้วก็มีส่วนที่จะทำให้เรามีความร่ำรวยได้แต่ความร่ำรวยมันก็ไม่ได้เกิดจากการทําทานจากชาติก่อนเพียงอย่างเดียวชาตินี้ทำมาอาจจะยังหวะมาบวชมาเกิดกับคนที่ร่ำรวยก็ได้หรือ ม, มีปัญญาที่สามารถทำอาหากินหาเงินหาทางได้หนื่องมีโอกาสที่รวยขึ้นมาได้บางคนบางคนอย่าง Microsoft เนี่ยถ้าเขาผลิตซองตแวร์ขึ้นมาอันเดียวนี่เขาก็รวยขึ้นมาเลยมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพราะเราทำทานมาอย่างเดียวถึงที่ทำให้เรารวยกัน ธรรมชาติเดิมแท้เป็นจุดเริ่มต้นของจิตที่มีอยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ท ร, ราบเหมกัธรรมชาติเดิมแท้เป็นยังไงเดิมแท้ก็มีอยู่หกธาตุด้วยกันที่เป็น ท, ที่มีอยู่เป็นอยู่แบบไม่เกิดไม่ดับเลก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้แล้วก็อวกาศธาตุและธาตุทั้งหกนี้ก็จะเป็นจะมีปฏิกิยากัน มีผสมประสานกันแล้วทำให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆทัมงหลายที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมาจากท่านทั้งหกนี้จิตที่สั่งการสมองให้ร่างกายทำตามความอยากเหมือนโรบอรททำให้บางครั้งตระหนักว่าไม่มีเราจริงๆสุดท้ายก็ตายไปอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับคือร่างกายมันก็เป็นมันเป็นโรบอทนะมันก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวที่มัน ที่นสามารถทำอะไรได้แต่มันต้องรอคําสั่งจากผู้ควบคุมร่างกายทีหนึ่งคือใจใจนี้ไม่ได้เป็นโรบอทใจใช้ร่างกายซึ่งเป็นเหมือนโรบอทเองจะเป็นชีวะโรบอทชีว์เคมีโรบอทไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่ถ้าผลิตด้วยวัตถุแต่เป็นพวกเคมีที่ผสมประสานทําให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมา ถือศีลตั้งแต่เด็กครับมีหน้าตาดีไม่เคยมีแฟนเลยแต่ว่ามีคนชื่นชมแบบนี้บุญศิษ์บุญนี้เกิดจากสิ่งใดครับคนที่รักษาศีล ก, ก็เกิดจากบุญที่เคยรักษาศีลมาหน้าตาดีก็เป็นเพราะนี่ยมีทั้งทาบุญทำทานด้วยแล้วก็รักษาศีลด้วยสองอย่างนี้ก็ผสมะสมานทาให้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามไม่มิกลพิการผิวพรรณบางใส ทำเสียนํำทานสียนก็จะทำให้ร่างกายไม่ไม่ไม่อาาัตคัดไม่เป็นพิกลพิการไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบีบนยนอายุยืนยานานสวยงามสวยพาาวามงามก็เกิดจากทานทำทานนั้นจะทำให้ร่างกายสวยงามผิพวพรรณผ่องใส คุณสมพรครับบางครั้งโยมมีความกังวลวิตกเรื่องความไม่เรียบร้อยของเพื่อนร่วม ง, งานโยมต้องใช้หลักธรรมข้อใดดีครับก็เราไปควบคุมบางครับก็ไม่ได้นะเราไปสั่งให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไปเหมือนกับเราควบคุมยินฟ้าอากาศไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ยินฟ้าอากาศเขาเป็นไปตามเรื่องของเราผลจะตกแต่จะออกเราควบคุมไม่ได้เช่นใด คนอื่นเราก็ไม่สามารถไปควบคุมมองเขาได้เั่นนะั้นะมองเขาให้เป็นเหมือนกัเป็นดินฟ้าอากาศแล้วเราก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายกับเขาอน้ตตาเขาก็ให้เร้มองให้ เ, เห็นว่าเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนเหมือนธรรมชาติดินฟ้าอากาศ ก, าก็ไม่มีตัวตนมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้ผลตกแด่ออกฟ้าร้อง ทุกอย่างเป็นเป็นเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศตอนนี้มีความทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแก่ชาราแต่ไม่ถึงกับเศร้าแต่คิดว่าพร้อมหรือยังถามใจตนเองแบบนี้เรียกว่ามีสติไหมครับว่ามีสติก็ได้ถ้าเราคิดถึงความแก่นี่เราก็เรมีสติเริ่มมีปัญญา ทั้นต่อไปชีว่าเราจะต้องทำยังไงที่จะทําให้เราสามารถอยู่กับความแก่ของเราได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจก็ต้องปฏิบัติธรรมนี้นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเขาเป็นยังไงก็ อ, อย่าไปทุกข์กับเขาดูแลเขาไปตามกําลังเท่าที่เราจะทําได้ วันนี้ทะเลาะกับคุณแม่กรุนแรงเพราะความน้อยใจดูควรทาอย่างไรครับอยากจะขอโทษแต่ก็ยังไม่กล้าครับก็ไป็นการท่านเลยมีโอกาสเห็นท่า น, ท, า น, ท, านท่านสะดวกที่เราจะเข้าไปกราบวก็เข้าไปกราบเลยไม่ต้องกลัวแล้วคุณแม่เขาไม่ตบไม่ตีแล้วครับคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงบาปหรือไม่รู้สึกสลดใจเหลือเกินครับ ก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายซึ่งกฎหมายก็เป็นเหมือนกับความความถูกต้องของสังคมเป็นเหมือนศีลอย่างหนึ่งก็คือก็ทำผิดศีนะ่เหมือนกับไปซื้อของที่เขาห้ามไม่ให้ซื้ออย่างี้ ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าประเทศไทยของเราตกต่ำลงเรื่อยๆจากกรรมอันใดและเมื่อไหร่จะได้ผู้นํารัฐที่มีความเห็นถูกต้องครับมันเมันเรื่องของกฎอ น, นิจจามะไม่มีอะไรที่แน่นอนมีขึ้นมีลงแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยที่จะเข้ามาเสริมหรือจะเข้ามาดึงให้มันลงต่ําเสริมให้มันขึ้นเสริมก็มีเสริมให้มันลงต่ําก็ ม, ม, ม, กมีมันเป็นหน้าตามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไป ควบคุมมันครับมันได้สิ่งที่เราจะทํำได้กับให้จับใจเราสบายก็คืออย่าไปอย่าไปอยากกับเขาอย่าไปอยากให้เจริญถ้ามันจะเสื่อมเขปล่อยมันเสื่อมไปเวลาเราอยากให้เจริญแล้วไม่เจริญเราจะทุกข์ใจปรับใจอย่างไรครับเจอรุ่นน้องที่ทํางานนิสัยไม่น่ารักเลยครับก็ยอมรับว่าเขาก็เป็นขนาดนั้นแ่ะคนเราเหมือนผลไม้ มีหลากหลายชนิดด้วยกันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นมะละกอบางคนก็เป็นสับปะรดคนเราก็มีนิสัยหน้านานิสัยบางคนก็เรียบร้อยบางคนก็เกเรเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามเวรตามกรรมก็แล้ว โอกาสครับทําไมพระอาจารย์ไม่เดินทุดงตอนบ่ายแดดกกจัดเพื่อเปลี่ยนที่ภาวนาไปเรื่อยๆเดินข้ามเขาหลายๆลูกตามแบบหลวงปู่ ม, มั่นการทํามาตัวเองแบบนั้นช่วยให้บรรลุธรรมเร็วใช่ไหมครับหนูไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้ครับการปฏิบัติธรรมของแต่ละคนมันก็มีภาวะที่ไม่เหมือนกันของท่านนั้นมีภาวะที่ท่านท่านจะต้องเดินทุดงท่านก็เดินทุดงกันของเราไม่ต้องเดินทุดงมันก็มันก็ไม่ต้องเดินทุดงก็ได้ พภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่มาเสริมการปฏิบัติซึ่งบางคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้งองไปอยู่ป่าอยู่เขาก็ได้สามารถมีดวงตาเห็นธรรมมนุษย์ธรรมได้ในขณะที่อยู่ในบ้านในเมืองก็มีอันนี้มันแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยคือสติปัญญาสมาธิของแต่ละคนนี้่มั ม, มีมีมากมีน้อยต่างกันออย่างที่เคยเล้าคนที่ปฏิบัติทำได้สี่ชน้ดนด้วยกัน และพกที่หนึ่งก็รู้ง่ายรู้เร็วคือปฏิบัติง่ายปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้รู้เร็วดูง่ายและพวกนี้กิเลสบางนั่งสมาธินี่กนั่งไม่ไม่ลำบากไม่ต้องไปเดินเอาเคาะในป่าในเขานั่งอยู่ที่ไหนก็สามารถทําใจให้สงบได้อย่างง่าดานดเร็วไม่มีนิมมอลอะไรต่างา ม, มาไม่หนุประสาทและพอเข้าขั้นปัญญาก็เป็นฉลาดแหลมคม พอได้ยินอริยาาสัจสี่ก็เข้าใจเลยมันรู้ถรนมได้เลยก็ีในพวกแรกพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้เร็วพวกที่สองปฏิบัติง่ายแต่รู้รู้ชา้าแล้วพวกที่มีมกิเลตบางนั่งสมาธิสงบง่ายไม่ต้องไปทรมานตัวมไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องไปเดินตะกลมทั้งวันั้นคืนอเวลาเข้าขั้นปัญญานี่ ใช้เวลานานก่อนจะเข้าใจว่าอริยสัจ ส, สี่เป็นงไงใต้รักเป็นยังไงต้องยึดถืออยู่หลายนอบจนกว่าจะเข้าใจพวกนี้ก็พวกที่สองพวกที่สามก็คือพวกที่ปฏิบัติยากการรู้เร็วเป็นพวกนิจิเรนนะลัค น, นาทิศแทบเป็นแทบตายไม่สงบไม่อยอมใจฟุ้งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่มิวร์เข้ามาเต็มตัวตลอดเวลาต้องไปปิดวิเวเข้องไปหาที่ที่มันทารละมาเพื่อที่จะทํำให้ มีสติเพื่อที่จะกำลานิวานต่างๆให้จิตเข้าสมาธิได้เพราะนิกิเลนยากแต่พอได้ขั้นกิเลนแล้วพอผ่านขั้นสมาธิเข้าขั้ขั้นปัญญาปัญญาแหลมคมสามาวิเคราะห์สัอนิยมสัตว์สีตายร่างได้อย่างเข้าใจอย่างง่ายและล่วนเลยอันนี้พวกที่สามพวกที่สี่ก็เป็นพวกที่ปฏิบัติยากแล้วก็ลุชาอ่า <c oughs> ก็เป็นส่วนใหญ่กับพวกเราพวกเราปฏิบัติอย่างรู้ชะเปนนักสมาธิแต่ละข้างโอศึกษาทรมานนะการแล้วเรื่องปัญญาฟังกี่ครัง้งกี่รอบก็ไม่เข้าใจว่าความอยากทําให้เกิดความทุกข์ใจได้ยังไงฟังไงก็ยังไม่เข้าใจอันนี้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมครวรเน้นภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันให้ปัญญาเอาเปรียบเทียบคนแต่ละคนนี่มาไม่เหมือนกันม า, มาเปรียบเทียบกันไม่ไนดะ้เราค่อยก็ เพียงแต่ได้ยินฟังได้ทาฟังได้ยินฟังได้มีได้ฟังทาเพงครั้งเดียวก็บรรลุได้เลยบางคนฟังก็อย่างพรนตอนนี้คังทำกอบพระพาทจาจายี่สิบปีนเนี่ยก็ยังไม่บรรลุททีขอนนะี้ถามพระอาจารย์ครับโยมเคยผ่านโรคร้ายมาสามครั้งภายในเจ็ดปีแต่ตอนนี้โยมไม่คิดว่าเคยป่วยแค่โยมไม่ประมาทแค่มี กลัวการกลับมาของโรคโยมควรนําธรรมะข้อไหนมาใช้เพื่อใจที่สงบกายสบายครับคธรรมะคือปล่อยวางร่างกายไงร่างกายเราไปกําหนดไม่ได้ว่ามันจะเจ็บเองหรือไม่เจ็บเองหรือ ม, มันจะตายเมื่อไหร่แต่ที่แ น, น่นอนคือมันจะต้องเจ็บหรือต้องตายอย่างแน่นอนงั้นเตรียมตัวเจ็บเต็มตัวตายไปเรื่อยๆนะครับอจย์จะได้ไม่ทุกข์กับมัน คนที child, the table, the ่เห็นแก่ตัวแต่เขาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเพราะเขาเคยเขากินบุญเก่าใช่หรือเปล่าครับก็อย่างที่บอกเรื่องโล่ากระทำเรื่องราบริสรทธิริยมันไม่ได้อยู่ที่บุญเก่าหรือบาปเพียงอย่างเดียวมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่มาทําให้คนเจริญในราบริสุรเส์รสนิยมเสริมได้ไม่ใช่เรื่องของบุญเรื่องบาปเพียงอย่างเดียวบาปกับบุญก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยตัวเดียวมันก็มีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง วิธีดับความอยากแบบง่ายๆควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ถือสิบแปดไปก็อยากดับความอยากได้เยอะแล้วถ้าถือสิบแปดได้ความอยากกินข้าวเยอะก็ตัดไปได้เยอะเลยพอหลังจากเทียงวันก็ห้ามกินแล้วมันก็ห้ามดูหนังฟังเพลงถือสิบแปดห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวเสิมสวยความงามต่างๆห้ามนอนบนเตียงที่สบาย เขาจะจะนอนมากเกินไปแล้วก็ห้ามเรื่องแบบนอนกับแฟนนอนคนเดียวนี่ก็ตัดความอยากไปได้เยอะนะเพียงแต่ว่าศีลมันยังไม่สามารถตัดอย่างถาวรได้เพียงแต่คอยเบรกเอาไว้คอยห้ามไว้เท่านั้นเองแต่ต้องอายการห้ามกิจกรรมเหล่านี้ก่อนแล้วจะได้มีเวลาไปหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจด้วยการนั่งสมาธิแล้วตัดมันด้วยปัญญาต่อไป ยังมีอสองขั้นตอนที่ต้องทอําถึงจะทําให้ความอยากหมดสิ้นไปจากใจแต่ที่ง่ายเฉยก็เริ่มต้นด้วยการรักษาสิ่งแตะใจให้ได้ก่อนทําอย่างไรจะพัฒนาจิตให้ดีหลายครั้งยังรู้สึกจิตเสมือนเป็นเด็กดื้ออยู่ครับก็ต้องเจริญสติให้มากพยายามเจริญสติทั้งวันเลยถ้าถ้าสามารถทําได้เราก็จะสามารถควบคุมจิตได้ จิตดื้อจิตดื้อเราก็หยุดมันได้แล้วก็สั่งให้มันมันคิดไปในทางที่ดีมันก็จะคิดไปในทางที่ดีได้ทําในสิ่งที่ดีได้ผู้ที่ควบคุมจิตได้ก็คือสตินี่นะสตินี่เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงสติที่พระเจ้ายกย่องให้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเปรียบเทียบเป็นเหมือนวายเท้าช้างที่ยิ่งใหญ่กว่าวยเท้าของสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่า ลายเท้าท้างนี้สามารถครอบร้อยเท้าของสัตว์อื่นได้หมดเลยถ้าเราเลือกนักการเมืองที่เขาไม่เจตนาไม่ดีเข้ามากงกินบ้านเมืองแบบนี้เราจะบาปไปกับเขาด้วยไหมครับไม่บาปแรอกเราก็เราก็สวย่นเลือกคนผิดแล้วเราไม่เราไม่รู้ข้อมูลที่ใช้จริงว่มามก็เป็นยังไงเพราะคนเราก็มันก็พูดยากใช่ไ ร, รู้แต่หน้าสตใจเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยงไ จะรู้บางทีก็ทงสายเสียแล้วต้องมากองกินก็ถูกจับปิดคุกติดตารางไปถึงรู้ว่าเราเป็นคนที่ไ ม, ไม่ดีขอกาลังใจครับพระอาจารย์ครับว่าทำไมก่อนพระอาจารย์บวชจึงสามารถรักษาสินแปดที่บ้านเองได้นานหนึ่งปีกินวันละมือ้อแต่คาระวะทั่วไปทำได้ยากเคล็ดลับคือการปลีกตัวมาอยู่คนเดียวใช่ไหมครับ เพราะถ้าอยู่กับครอบครัวมันจะโดนจูงไปเสพการง่ายครับคือมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้หล่อร้อมคนให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ภพนิชาในนี้หรอกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ได้สะสมมาหลายภพหลายชาติจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมามันก็เลยทําได้โดยอัตโนมัติด้วยู้สึกยากลำบากอะไเพราะสมัยที่เปเรียนเงินง่าวก็เคยขาดเงินเงิน เงินที่จะกินอาหารสามื้อไม่พอมีเงินเหลือแค่มือมอมอม้อเดียวก็จิ้มมื้อเดียวไปทอนจิ้มไปขอเดียวแเราจาก่อนจะหาหางานทําพิเศษได้แล้วได้เงินได้หลายไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้พิเศษที่จะกลับมากินสามมื้อได้แต่ช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บาหารจัดการเงินไม่ถูกไปซื้อรถใหม่เพราะว่ารถเก่ามั น, ม, นมันซ่อมเยอะเงไม่คุ้มค่าก็เลยไปซื้อแต่ไม่ได้ซื้อส่อนนะเพียงแต่ต้องเอาไปดาวแล้วต้องผอน ไม่้อาเงินค่าอาหารมาผ่อนให้กับรถมันก็เลยไม่พอกินค่ า, าหาไม่พอกินก็เหลืออยู่แค่วันละไม่มมกี่เท่านึงครับั้นแต่โชคดีคือตอนนั้นยังไม่ได้ทํางานไม่ได้ทำงานเสริมเพราะยัตอนนั้นเรียนเรียนในมาอยากจะเอาเวลาให้กับการเรียนให้มากไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการทางานแต่เมื่อถึงภาวะที่จำเป็นจะต้องหางานก็เลยไปหางานทํากามร้านอาหาร ก็ได้หารได้ละได้ทํางานเป็นคนล้างจานในร้านหาเนี่ยได้ได้กินข้าวฟรีสามมื้อต่ดีอย่างช่วยประหยัดไปเยอะแต่ตอนที่ไม่มีก็ไม่ก็ตอนที่ไม่มีก็ทนกินอยู่มื้อหนึ่งไปหลายหลหลายอาทิตย์นะมื้อสามเป็นเดือนหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าที่จะไปทํำเลยมันก็มันก็อยู่กับมันได้เอ กำลังของที่ภาวนาเก่ามาใช่ไหมครับพาจาเพราะละห้าเนี่ยที่เราอาจจะสะสมกันมามากน้อยต่างกันอินรี 4, 5, ่ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของแต่ละค น, นไม่เท่ากันขนาดที่เดินจงกรมจิตชอบแวบไปนูน่นนี่เร็วมากพอรู้ก็กลับมากับการเดินคำถามคือทำถูกไหมครับและจะทำเช่นไรเพื่อให้จิตรวมโดยที่ไม่คิดครับก็ต้องเหมือนจะสติไปเรื่อย จิตและสติเรายังไม่ต่อเนื่องยังไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้ได้เป็นให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับถ้าเราเคลื่อนไหวก็ให้อยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ยังแวบไปคิดเรื่องนั้นยังแวบไปคิดเรื่องนี้ถ้าอย่างนี้วมานั่งสมาธิมันก็ยังจะรวมไม่ได้มันสงบไม่ได้ต้องหมั่นพยายามฝึกสติให้จิตอย yes. ู่กับอารมณ์เดียวให้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเป็นนาทีนาทีขึ้นไป เวลานั่งสมาธิจิตจะรวมได้ผลที่ดีที่สุดที่ได้รับจากการนั่งสมาธิคืออะไรครับคือความสุขระดับนิพพานเลยนะแล้วจิตรวมเข้าฌานนี้ได้ไ ด, ได้นิพพานแต่เป็นนิพพานแบบชั่วคราวเพราะตอนที่สงบนั้นความอยากต่างๆถูกกดเอาไว้ไม่ทํา ง, งานก็เหมือนกับไม่มีไม่มีความอยากอยู่ในจิตก็ เ, เป็นเหมือนนิพพานนิพพานก็คือจิตที่สงบ ที่ไม่มีความอยากอยู่ในองเหงื่อยู่ในจิตเลยแต่นี่มันยังมีความอยาก อ, อยู่ในจิตแต่เพียงแต่ไม่ ถ, ถูกกําลังของสัมปชติกดเอาไว้ถูกกําลังของฌานกดเอาไว้ความอยากมันไม่ได้ทํางานก็เลยจิตตอนั้นสงบเหมือนกับเหมือนกับได้เข้านิพพานไปแบบชั่วคราวได้เข้าได้สับายกับความสุขที่เหนยกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอะไรในเโลกนี้ที่จะสามารถเปรียบเท่า กับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจตอนที่พระอาจารย์อยู่กับหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิครับเราไม่เคยปนาท่านกับท่านเลยนะรามีแต่ฟังธรรมอย่างเดียวแล้วแต่ว่าท่านจะเล่าอะไรต่างๆในะช่วงที่ฟังธรรมซึ่งอาจจะมีเรื่องเยอะยะที่จําไม่ได้หมดแต่เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี้ไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ท่านเคยเล่าเรื่อ ง, องของอปู่มั่นท่านไปปัต น, นาพุทธภูมิหรือทําให้เป็นเหมือนกับเป็นเ น, นิวร์และเป็นอุปสรรคในการที่จะทาให้ท่านมรรลุธรรมในภพในชาตินี้จนต่อมาท่านก็เลยถอนถอนความปัถนาเดียวไปท่านถึงปไปไปวิเวกปฏิบัติทางตาลำพังได้เพราะถ้าปัตนาพุทธภูมินี่มันจะมีความเมตตาคอยรังอยู่ใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือท่านก็อยังเมตตาช่วยเหลือเขา ไม่กังวลเองานะสถานะภาพของตนเองช่วยใครได้ก็อยากจะช่วยไปเรื่อยๆแล้มันก็จะไปติดการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แล้วไม่มีไม่สามารถไปติดวิเวกไปบําเพ็ญได้แต่พอท่านพิจารณาแล้วท่านอยากจะบรรลุชาตินี้แทนเลยตัดความตตัดความป่าเถนาพุทธภูมิตัดการใช้ความเมตตาให้กับผู้มาเมตตาตนเองก่อนทําตนี้ให้หลุนทนก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นต่อ แล้วตอนพระอาจารย์ไปตัดขนตาหลวงตานี่ตื่นเต้นไหมครับพอาจารย์ไม่หรอกเพราเคยเคยชินเลยเคยเคยฝึกมาแล้วเคยเป็นอะไรอยู่ใกล้ๆท่านอยู่พอสมควรก็เลยเกลียดมันกัหนี้มันก็เฉยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนว่าไม่ไม่ปฏิเสธนะคนเข้ามาบอกให้ไปเข้าไปเพื่อความมั่นใจว่าทําได้ให้ทํำก็ทําได้ครับ เราได้ทําหลายครั้งไหมครับอาจารย์สี่ห้าคั้งเพราะว่า<อ>ช่วงนั้นท่านอาจารย์อินทวายท่านไม่อยู่เพราะว่าเสด็จท่านไปไปทุดงอะรอยางเงี้ยสี่ห้าครั้งเนี่สองสามครั้งจําได้ได้ไม่มากไ ม, ไม่ประจําขอสอบถามเรื่องการไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนหรือเชงเม้งครับไม่ทราบว่าวันบรรพบุรุษได้รับของไหว้ที่จัดเตรียมไว้หรือไม่ครับ นำหลักศาสนาพูดไม่ไม่ได้หรอกถ้าอยากจะให้มันลดมันพ่าบุญได้เราต้องเอาไปทําบุญของที่เราว่าเนี่ยไปทําบุญนั้นเราก็เปลี่ยนของที่เราว่า้มาเป็นบุญพอเราได้บุญเราก็ส่งบุญไปให้กับผู้ที่เราลไปแล้วได้ทํากิจกรรมเช่นออกกําลังกายล้างจานอย่างนี้สวดมนต์ในใจไปด้วยได้ไหมครับก็ได้ถ้าเราไม่ออกเสียงแล้วก็ ส่วนบนเพื่เรามีสติไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิจะคิดว่าเป็นการซ้อมตายจะภาวนาพุโทโธเพื่อให้จิตมีที่เกาะเพราะคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงจิตเราจะได้ไปเกาะพุโทโธอัตโน ม, มัติฝึกแบบนี้ได้ไหมครับและอันนี้จะได้สมถะหรือวิปัสสนาครับได้จะได้สมาธิเป็นที่เคลื่อนของใจ วิธีดับความอยากความไม่อยากควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็ต้องสร้างโมเบิราขึ้นมาในใจจากการนั่งสมาธิให้ได้ก่อนพอเรามีโมเดิรคาแล้วเราจะมีกาลังหยุดความอยากได้คืออยู่เฉยๆได้ใจจะไม่อยากใจจะไม่มีความอยากถ้ามีอมเดิราแต่มันมันก็เป็นแบบชั่วคราวเพราะกาลังของสมาธิมันก็ยังไม่ยั่งยืนถาวร ออกกำลังออกสมาธิอ่อนอยู่เบิกขาก็จะอ่อนถ้าอยากจะหยุดความอยากอย่างสาวอนก็ต้องใช้ปัญญาหรือพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขที่อยากจะมีแฟนเนี่ยถ้าเราพิจนารณาดีๆแฟนเราก็ไม่เที่ยงตอนที่พบกันใหม่ๆเขาอาจจะรักเราดีกับเราพอเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อย่างดีกลายเป็นไม่ดีก็ได้ หรือเขาอาจาจะตายจากเราไปก่อนก็ได้เหตุการณ์เหล่า น, น, น, นี้มันก็ทำให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่เอาเด็กอะอยู่คนเดียวเด็กอะอันนี้ก็มีการใช้ปัญญาดังรับความอยากต่างๆให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมมันครับทำให้เป็นของเราและทำตามความอยากของเราได้ ขอแนวทางพระอาจารย์ในการใช้ความทุกข์เป็นการปฏิบัติธรรมเราควรจะทําอย่างไรครับอย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านอยู่เล่าว่าทุกข์สูญเสียคนนุณแม่ไปใจทุกข์แล้วต้องพิจารณาว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราก็จะพิจารณาว่าทุกข์เพราะเราสูญเสียเราไม่อยากสูญเสียเราอยากจะได้ ค, นนคุณแ้่กลับกลับมาอยาให้คนหนุณแมอยู่กับเราต่อไป แต่เราพิจารณาเราเราเป็นไปได้ไหมว่าการที่จะให้คุณแม่อยู่กับเราไม่ไม่ไม่ไม่สูญเสียจากเราไปมันก็เป็นไปไมได้เพราะคุณแม่เป็นของไม่เทียมไม่จากวันนี้ก็ต้องจากพรุ่งนี้อยู่ดีต้องวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปแต่เราเห็นนั้นนี่จจกเราก็ยอมรับว่ามันต้องมีการจากกันเราก็จะได้หยุดความอยากที่อยากจะให้ท่านกลับมาอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเราอยู่ความอยากนี้ได้ความเศร้าใจก็หายไปความทุกข์ใจก็หายไป โอกาสพระอาจารย์ครับก่อนบวชหนึ่งปีที่พระอาจารย์อยู่บ้านคนเดียวทำอะไรบ้างและเราควรทำอย่างไรเพื่อดำเนินรอยตามให้การภาวนาก้าวหน้าถ้าไม่คบกับใครเลยเกิดมีภัยพิบัติอันตรายเราจะรู้จะระวังตัวได้อย่างไรครับก็เป็นการปฏิบัติก็ใหจงรักษสติอยู่ตลอดเวลา<ม>นั่งสมาธิแล้วก็มาเวลาพิจารณาปัญญาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จังทุกขขังหน้าตาไป ก็เต็มตัวตายไปในตัวอยู่แล้วนะถ้าเกิดจะนั่งตายก็กยอมรับก็ปฏิบัติอย่างนี้ยสติสมาธิปัญญาปัญญาบางทียังไม่มีพอก็อ่านหนัญญ ง, นงสือธรรมะไปไปก่อนเอาปัญญาจากหนังสือธรรมะไปแล้วก็เอามาจดจำามาพิจารณาให้อยู่ไม่ให้หลงไม่ให้ยังนห้มันฝังอยู่ในใจเราเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ดับความทุกข์ใจต่อไป ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ทำแค่ น, นี้เดินจง ก, กรมนั่งสมาธิยูหนังสืออ่านหนังสือธรรมะสลับกับการทำกิตทำความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านทักเสื้อผ้าอะไรไปทำอนเอางี้มันก็เพื่อเพลังไปอยู่กับการการปฏิบัติท่องอยู่คนเดียวไประหว่างคณนิกะสมาธิและอุปาจาราสมาธิ ถ้าเทียบเป็นเวลาจะต่างกันขนาดไหนครับคืออุปนิจกรรมนี้นเปรียบเทียกับอุปจาระไม่น่เาเะมันเป็นสมาี่คนละอ ย, ย่างกันอุิกรรนี้กักบอัปปนา น, นี้เป็นสมาธิอันอย่างเดียวกันคือแต่ระยะเวลาสงบไม่เท่ากันอณิกรรนี้นถ้ามาสงบช่วงหมูแรบนอัปปนา น, นี้ท่านว่ามันความสงบที่นานยาวก็หมายถึงนานกว่าหมูแรบนนั้นมากกว่ากัน ถ้าได้อยู่ได้นานกับูร่าเลยก็ถว่าเป็นอัปปนาสมาธิอสงบปั๊บแล้วถอนออกมาเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นคณิกาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ผ่านต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนพอเข้าไปในอัปปนาสมาธิแล้วไม่ตั้งไม่ตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิเอาไปเท่อวเที่ยวในโลกทิศ ไปมีตาทิศหูทิศไปมีเราเลิกชาติได้ไปติดต่อแลากายทิศเทวดาทั้งหลายได้อันนี้เป็นอุ ป, ปัจจารสมาธิปเวลาที่นี้พิเศษซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ปฏิบัติสมาธิมีประมาณร้อยละหาล้าเท้านะ้าท่ได้ยินมาที่มีความสามารถที่จะเข้าสู่ปุจจารสาทิปได้แต่ก็ไม่เป็นสมาธิที่ไม่มีความจาเป็นต่อการบรรลุมรรคองทิ่ ไม่จำเป็จะตมีอยู่ปรจาระสมาธิปัญจะบรรลุเป็นท่าโสดาเป็นท่าอได้แต่สิ่งที่ต้องมีก็คือ อ, อัปปนาสมาธิจิตต้องสงบนิ่งไดยงานยิ่งนานเท่าไหร่จิตก็จะมีกำลังหยุดกิเลสได้มากขึ้นเท่านั้นอัปปนาสมาธินี้จะมาเป็นเฉบเป็นกำลังของใจเวลาใช้ปัญญาพิจนารณาเราเห็นว่า ก, การทําตามความอยากจะนาไปสู่ความทุกข ถ้ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อหยุดความอยากถ้ามีอัปปนาสมาธิมากๆมีกำลังมากๆก็จะหยุดทําอยา่าง่ายเราไหว้พระเทวรูปเทพเจ้าของทุกศาสนาและขอพรได้ทุกครั้งที่ไหว้ได้ไหมครับคือการไหว้นี่มันไม่ได้ห้ามในพวกศาสนาและไหว้ใครก็ไหว้ายายายได้ไม่ว่าไหวแม่ไหวครูบาอาจารย์ไหวผู้หญิงอาตา ย, ยา ไมว้เพื่อนสนิทไม่หายเจรจากันก็ทักทายกันได้แต่ว่าเพื่อขอสิ่งนั้นสินี้นี่ทางพุทธศาสนาว่ามันเป็นไปไม่ได้การอยากจะได้อะไรนี้มันต้องเกิดจากาการกระทําทําบุญทำบาปมันเลยได้ผลตามมาผมเป็นคนต่างจังหวัดได้มีโอกาสไปทํางานกรทมหนึ่งสัปดาห์รู้สึกหดอู่มากครับเพรุ่นวายคนเยอะโดยเฉพาะวันแรกแรกที่ไป เหมือนไม่กินในใจก็รู้ว่าเป็นเพราะตัณหาแต่ก็ททำใจให้สงบไม่ได้ครับรู้สึกหดหูมากกว่าที่มืดมืดหรือที่ที่น่ากลัวครับอาการแบบนี้คือยังกลัวตายอยู่ใช่ไหมครับมันไม่น่าจะใช่เรื่องความกลัวตา ย, ยนะมันกลัวความวุ่นวายมากกว่ า, วามไม่ถูกกับความวุ่นวายคืออยู่ที่มันไม่ค่อยวุ่นวายอยู่ที่มันสงบสบายได้ติดติดคลางสบอัสบายพอมนเจอความวุ่นวายมันก็เลยเครียดขึ้น ก็พยายามติดตัวเข้าไปอยู่ที่คนเดียวหรือเข้าไปในห้องอยู่คนเดียวถ้าไม่จําเป็นครับก็อย่าไปออกไปข้างนอกถ้าจะเป็นก็ต้องทาใจมีสติกลับใจอย่าไปลังเกียดอย่าไปลังเกียจความวุ่นวายที่เราทุกคนเราไปรังเกียจความวุ่นวายไม่อยากจะวุ่นมายเลยเราก็ใช้ปัญญาสารวัตเราอยู่ในทาวาจํายอมเรามาที่นี่เพราะมีงานที่เราจะต้องมาทำํำแล้ว พุ่เป้าไปที่งานที่เราทำเลยอย่าไสนใจกับความวุ่นวายต่างๆรอบตัวเราให้มีสติจดจ่อยอยู่กับางานของอขเราเพีย่เยเริ่มต้นการนั่งสมาธิจะทําใจอย่างไรจึงจะสําเร็จการนั่งสมาธิในครั้งนี้ได้ครับต้องเริ่มที่สติก่อนต้องฝึกสตกิมามากๆก่อนถ้าไม่มีสตินั่งแล้วใจมันจะวุ่นใจจะพุง่งจะไม่ยอมอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้ แทนเราฝึกสติคือบั ง, บงคับให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไว้ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งเ น, นี่ยกำหนดให้อยู่กับทำบริกรรมพุโทโธเราสามารถทําได้ทั้งวันไม่ว่าเราจะทําอะไรร่างกายเราทํางานไปแต่ใจเราก็สามารถอยู่กับพุโทโธได้หรือถ้าเราจะไม่ใช้พุโทโธเราก็ใช้ร่างกายที่ทํางเราทำงานเป็นอารมณ์ก็ได้ค่นเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับร่างกายไป ให้ให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่เราเรื่องเดียวให้มีอารมณ์เดียวแตให้เป็นหนึ่งถ้ามีสติอย่างนี้คนระับพอเวลามานั่งเราก็ดูลมถ้าเรานั่งเฉยๆเราก็ดูลมหายใจก็ได้หรือจะใช้คาําบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้เพรเดี๋ยวจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ที่ทํางานอยู่แล้วไม่สบายใจงุหดหงิดรู้สึกว่ามีแต่คนที่ไม่ดีครับ ควรออกไปหรือใช้เป็นที่ฝุกใจอะไรดีกว่าครับก็แแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราไม่สนใจเราก็ต้องอยู่ต่อไป toire? ต้องอยู่ในกับที่ที่เราไม่ชอบแล้วต่อไปเราก็จะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราออกไปเราก็ต้องเปลี่ยนที่เรื่อยๆไปเปลี่ยนไ ป, ไปที่ใหม่ไปเจอเสิ่งที่เราไม่ชอบอแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆให้เราเปลี่ยนใจเราดีกว่าเปลี่ยนใจให้อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้ โอ้สิ่งที่เราไม่ชอบจะทำให้เราเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาอย่างนี้อีอย่า ง, างสิ่งที่เราไม่ชอบไปพอยังไม่ได้ไปก็ใจก็จะทุบขึ้นมาแต่ถ้าเราปรับใจว่าอย่าไปอย่างนี้เลยอยู่กับมันไปให้อยู่กับมันไ ป, อนไปพออยู่กับมันได้แล้วใจก็สงบใจก็สบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มีความคิดสวนทางกันในตัวเองครับเวลาเราจะเริ่มทํางานโปรเจกต์ใหม่ อีกใจก็คิดว่าเราควรจะพอเพียงอย่าอย่ายากได้ครับกต้องถามว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเงินเพิ่มเราก็ต้องทําต่อไปถ้ า, าคิดว่าเงินตอนนี้เรามีพอแล้วเราก็หยุดทำต้องใช้เหตใช้่ผลเมื่อแก่ตัวลงมีโรคภัยไข้เจ็บควรทําอย่างไรดีครับระหว่างข้อที่หนึ่งวางอุเบกขาปล่อยไปไม่รักษา ข้อสองหาหมอรักษาถ้าโชคดีเจอหมอรักษาได้ก็ถือว่ายังมีบุญโรคจากสังขารและโรคจากการเบียดเบียนตนเองพระอาจารย์เลือกแบบใดครับก็แล้วแต่โรคเห็นว่ามันเป็นโรคที่รักษาได้หรือไม่ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้าการรักษามันวุ่นวายมากกว่าการไม่รักษาบางทีก้าจะไม่รักษาก็ได้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามันอันไหนมันจะหนักของากันรักษาแล้วมันกลับไป ก็เป็นเรื่องเป็นทุกข์หนักกว่ า, าการไม่รักษาก็อย่าไปรักษาไปดีกว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งสมาธินานๆแต่ละชั่วโมงหลายรอบต่อวนันถือว่าเป็นสมาธิประเภทไหนครับไม่แน่หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเราเห็นแต่ข้างนอกข้างในใจยังอาจจะไม่สงบก็ได้ยังยังต่อสู้กันอยู่ก็ได้เราสติกับความคิด มันทีก็หยุดได้บ้างบางทีก็คิดด้วยเปิดอเป็นหลายนาทีไปก็มีมันจะได้สติกมาบางคนก็นั่งแล้วก็สงบนิ่งเฉยมีความสุข ก, ก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละคนเขาจะรู้เขาเองว่าเขาได้อะไรคนอื่นนี้ไม่สามารถ ร, รู้ได้นอกจากมียานอย่างทราบเพื่จะรู้ว่ามันจิตเขาเป็นอย่างไร เขารูปคนที่เสียชีวิตแล้วแขวนใต้คานบ้านบอกว่าคนตายจะไม่สงบอย่างนี้จริงไหมครับไม่จริงอ่ะไม่เกี่ยวนนคนตายจะสงบไม่สงบอยู่ที่บุญหรือบาปนี่ก็ทําไว้ขอความเมตตาครับแนะนําการวางใจที่เกิดจากการดูแลคุณแม่ที่อายุมากและป่วยหนักครับก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดท่านเป็นพรคุณกับเรามากคิดถึงบุญคุณของท่าน ไม่มีท่านเราก็ไม่มีเราเราไม่ได้เราไม่ไ ม, มีแม่ไม่มีพ่อเราเกิดมาไม่ได้แล้วนอกจากท่านให้กําเนิดแเราท่านยังอุตสัมภ์เลี้ยงดูเรามาอีกไม่รู้กี่สิบ ป, ป, ปีแล้วยกันแล้วตอนนี้ท่านเดินล้อนท่านต้องการให้คนเดินมาช่วยนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านเราควรจะดีใจที่เราได้มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณการเลี้ดูพ่อแม่ท่านถือว่าเป็นเหมือนกํำลังดูผ้าล่ะ พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระเนี่ยอาอาหารที่ได้จากวินาศบาตรไปให้กับพ่อแม่ก่อนได้เลยตามปกติแล้วอาหารที่พานได้วินาศบัตก็มาจะต้องอามาแบ่งกับพระกันก่อนที่เหลือถึงจะให้เอาไปแจกคนอื่นได้แต่ถ้าทําสําหรับพ่อแม่ของพระเองนี่ถ้าสามารถแบ่งเอาไปให้กับพ่อแม่ได้เลยไม่ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อน เราจะใช้ความทุกในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับขอแนวทางครับเราใช้ความทุกเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติธรรมเนยถ้าเรามีความสุขเราก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกับคนที่ถ้าร่างกายเป็นปกติก็จะไม่ไปหายามากินแต่พอร่างกายไม่สบายปุ๊บก็ต้องไปหายามากินกใจก็เหมือนกันถ้าใจเราเป็นปกติไม่ทุกเราก็ไม่รู้จะทาอะไรกับมันมันมันไม่มีปัญหาอะไรต้องทา แต่พอมันทุกข์ใจขึ้นมาเช่นทุกข์ใจเพราะสูญเสียคนที่เราลักไปเนี่ยแล้วมันกินไม่ได้นอนไม่หลับทำงางมันก็ไม่หายทุกเราก็ต้องไปหายารักษาใจมายาที่รักษาชังทุกได้ก็คือสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญา3ามตัวนี้ถูกบีบให้ออกจากงานโดยไม่ได้ค่าชดเชยครับ ทำใจอย่างไรไม่ให้โกรธและเครียดแค้นและเราได้สัจจรทมใดกับกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็นาาหน้าตาทุกอย่างมันเป็นอนัาตาเนะราควบคุมบังครับไม่ได้นนินฟ้าอากาศกฎหมายการุญค่าที่มีต่างประเทศบาปหรือไม่ถ้าบาปมันมีความแรงเท่ากับค่าตัวตายใช่ไหมครับแต่หนูเคยดินว่าค่าตัวตายคือแก้ปัญหาผิด ทุกที่ใจแต่ทำร้ายกายแล้วการการุณยฆาต ค, คือทุกทั้งใจและกายที่ป่วยการาุณยฆาตก็แบบเดียว่าฆ่าตัวตายนไปฆ่าร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นปัญหาตัวที่ปัญหาก็คือใจคือกเลส ท, ที่มีในใจที่ไม่อยากจะอยู่กับร่างกายที่ไม่สบายหรือหรือหรือเหนคนเหล่เขาไม่เขาเขาไม่สบายแล้วไงสงสารเขาในทางที่ผิด ที่เราไปฆ่าเขแล้วเขาจะหายทุกข์นะความจริงทุกข์ของเขาก็ยังมีอยู่ในใจและอาจจะทุกข์มากขึ้นก็ได้ถ้าเราไปฆ่าเขาโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมให้เราไปฆ่าเขาง้นการฆ่าไม่ว่าจะเป็นฆ่าด้วยสายเลือดไดนี้เป็นบาปดังนั้นอย่าไปทําฆ่าใครฆ่าคนอื่นฆ่าด้วยความฆากรุญาก็บาปห้ามฆ่าโดยเด็ดขาดหวังให้ร่างกายมันตายไปของวันหนึ่ง เคยไปนั่งสมาธิเป็นกลุ่มใหญ่เห็นผู้ทําสมาธิได้แบบนั่งนิ่งและแข็งเหมือนหินเป็นเด็กด้วยครับเป็นเพราะเหตุใดครับเพราะเขฝึกมาก่อนเนี่ยเขามีสติเพราะว่าสามารถนั่งนิ่งได้ถ้าไม่มีสตินั่งนิ่งไม่ได้เดี๋ยวใจเริ่มคิดอยากรูอยากนึ้ขึ้นมาก็ทนอยู่ไม่ได้การสวดมนต์หากอ่านสะกดการันไม่ถูกอย่างนี้ได้อนิสงฆ์ไหมครับ อนที้สองอยู่ที่สง บ, บแล้วไม่สง บ, บนะมันจะยอยู่ที่อ่านอ่านถูกแล้อ่านผิดนะคุณนุกน้อยถามกลับมาแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าผมใส่บาตรทุกเช้าบางวันพระมายืนรอรับบิณฑบาตแต่คุณยายยังตัดข้าวต้มไม่เสร็จถามว่าให้พระยืนรอบาปไหมครับก็ยังไม่ถือถว่าบาปทีเดียวแต่นี่ก็เป็นสิ่ง ท, ที่เราก็ไม่ควร เราควรที่จะเตรมอาหารไว้ให้อมพ่อท่านจะได้รับแล้วท่านจะได้เดินต่อไปได้ถ้ามาให้ท่านยืนรอบางทีก็จะทําให้คนอื่นที่เขารอสายบา ท, ท่านต้องยืนรอตามไปด้วยก็เป็นการสร้างความไม่สะดวกให้กับท่านยังไม่ถึงขั้นบาตเลยทีเดียวมีพี่สาวที่ชอบหาเรื่องกับคนในบ้านทาั้งๆที่พ่อป่วยหนักพ่อต้องอารมณ์ดีควรจะแก้ไขอย่างไรครับ เราแก้ไขเขาไม่ได้หรอกเขาจะทํายังไงนี้เราห้ามเขาไม่ได้ได้เราอย่าไปทุกข์กับเขาแล้วกันเขาจะทําทอะไรก็เรื่องของเขาเราจะสื่อรู้ได้อย่างไรว่าคนตายและไม่ตายได้รับบุญที่เราใส่บาตรกวดน้ําหรือเพียงกุศโลบายให้จิตเราสงบครับคนทั่วไปจะไม่สามารถรู้ได้หรอกนอกจากคนที่มีอภิญยาคนที่มีอุปจารสมาธิที่สามารถ ติดต่อกับกลยกายทิพย์ได้เด็กยังรู้ได้เั้นเราก็ทำไปตามควาบเชื่อกันแล้วกันว่าคนตายเขาต้องการบุญนำมิดรทำบุญแล้วก็ส่งบุญไปให้เขาถวนเขาจะมารอรับบุญหรือม่มนั้นก็เป็นเรื่องของเขา หมอพยาบาลที่ช่วยในการกา ร, รุณยฆาตบาปด้วยหรือไม่เพราะรับรู้รับทราบช่วยเหลือให้คนตายตามหวังครับถ้าไม่ถ้าไม่ส่วนกับการกระทํำก็ บ, บาบทำเองก็ดีให้คนอื่นก็ทําให้ก็ดีสั่งให้คนอื่นทำก็ดีถือว่าบาปทั้งนั้นอุทิศบุญแผ่ส่วนบุญในใจคนตายจะได้บุญไหมครับ เห็นอะไรของคนตายจะอุทิศให้บ่อยๆแต่ว่าอุทิศในใจครับก็แล้วแต่ว่าคนคนตายเขามารอรับหรือเปล่าคนตายบางคนเขามีบุญเยอะเขาก็ไม่ต้องมารอรับก็มีคนที่มีบุญน้อยก็า จ, จะมารอรับก็ได้หน้าที่ของเราคือเวลาเราทําบุญแล้วก็ส่งไปให้เขาก็แล้วนส่วนงเขาจะรับหรือไม่รับนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะ การตั้งสัตย์จะท้าวว่าไม่ขอเกิดอีกขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายและฟังธรรมจากปราฏพูดแตกฉานจะสามารถทําให้เราบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลและไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายจะเกิดอีกจริงไหมครับถ้าเรามีปัญญาระดับที่พอฟังธรรมปุ๊บแล้วก็ตัดความอยากง่ า, งายแล้วก็ก็สามารถหยุดกั้นเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่สติปัญญาของเราว่าเราสามารถเข้าใจธรรมที่พระเจ้าสอนหรือเปล่า คืออริสัจสี่ตายรักเนี้ถ้าเราสามารถเข้าใจอริยสัจสีได้เราก็สามารถตัดทบตัดชาติตัดการเว้นว่าตัเกิดได้ตัดการฟังธรรมเพลียนอย่างเดียวก็ได้ข้อหมายของการทําวิปัสสนาคืออะไรครับและผลสุดท้ายของการปฏิบัติคืออะไรครับคือให้เกิดปัญญาที่จะมาดับกิเลสตัณหาโมหะความหลง ที่ทำสร้างความทุกข์ให้กับใจพอมีปัญญาก็จะสามารถนะครับเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ก็คือความหลงความหลงที่มาสร้างความหยอดให้เกิดขึ้นในใจแล้วความหลงนี้ความหยาดนี้ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจความในปัญญาก็จะหายหลงเห็นความจริงแล้วก็จะหายหลงเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา mm. ของเราต้นต้น เมื่อร่างกายไม่ยึดเป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปห่วงไปกังวนมันจะเป็นยังไงเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นจะตาย ก, ก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์กับกรรมร่างกายของเราเวรกรรมมีจริงไหมครับอาจารย์นี่ก็เวรกรรมก็คือเราทําไปใครไว้เขาก็จะต้องเวรต้องกรรมเรา เวลาได้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ชอบเราควรอดทนฟังเพื่อสร้างสันติหรือคุณหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์โกรธครับก็แล้วแต่ถ้าเรามีกำลังสันติที่จะฟังได้โดยที่ไม่เกิดความโกรธแล้วก็ฟังไปแต่ถ้าฟังแล้วมันเกิดความโกรธก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่มีขันติพอที่จะรับกับเสียงที่เราไม่ชอบได้ ถ้าเราเจ็บป่วยโดยต้องผ่าตัดเข่าทั้งสองข้างอ่าตัดหลังซึ่งอาจเกิดจากวิบากกรรมที่เราได้ควรทาวิบากกรรมก็ได้เราควรทำอย่างไรครับก็ทำใจเลยนรับรับวิบากกรรมไปยอมหยุดเย็นไปยอมรับกรรมแล้วก็หยุดต่อต้านใจเราก็จะเย็น N: คนที่ยืมเงินไปแล้วไม่คืนถามเขาก็จะบอกว่าอีกสห้าวันเจวันแบบนี้มาหลายปีแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีครับถ้าทใจทำใจแล้วมัใช่เป็นของเราแล้วเหมอนกันนั้นการให้อาหารนกหมาแมวจรจัดเป็นการให้ทานเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดบุญจึงไม่สามารถอุทิศผลบุญจากการกระทำนั้นให้แก่ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมในเวรได้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอการให้นั่นเรียกว่าทานผลจากการให้เราได้ควาบุญแม้ว่าจะห้างขายก็เป็นบุญแล้วใช่ไสามารถดึงได้นั่งสมาธิเวทนาหนนะักพระอาจารย์กายชีวิตร่างกายแต่สลายและตัวเบาหมายถึงอะไรครับนั่งสมาธิเวทนาหนนะักพระอาจารย์ กายชีวิตร่างกายแต่สลายและตัวเบาหมายถึงอะไรครับถามนี้ครับหมายถึงปล่อยร่างกายเน่ยชเวลาหน้าเราเกิดอาการเจ็บปวดทามาเราสามารถใช้อาการเจ็บปวดนั้นมาเป็ น, เ ป, นเป็นจินตนาการว่าเป็นเหมือนไฟที่กำลังเผาร่างกายของเราเนี่ยถ้าปล่อยให้ไฟนี้นเผาท่วมท่วมร่างกายไปเรื่ยๆถ้าร่างกายนี้พุบลงไปกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็น ตอนนั้นใจแล้วก็จะเข้าสู่ความสงบแยกออกาจากร่างกายไปอาจารครับตอนที่ไฟเผานี้รู้สึกร้อนเหมือนไฟเผาจริงๆเลยไหมครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เหมือนตอนที่มันเจ็บนะเอาความเจ็บนั่งมาไปเที่ยวเป็นเมืนกับไฟแล้วนั่งไปงนานมันจะร้อนแถวกน้นแถวบริเวณข้างบริเวณกระเพาส ม, มองร้อนมันร้อนเหมือนไฟขึ้นมาแล้วก็เจตนรารมณ์เป็นภาพไฟลุกท่วมท่วมร่างกาย ร่างกายไปนจนกระทั่งในที่สุดร่างกายก็ฟุบลงไปกายโดนขี้เท่าไปไฟก็ดับไปร่างกายก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นดินไปเป็นเหมือนเป็นดินเป็นพื้นขึ้นกุฏิพื้นพื้ น, พนดินแบบมันเป็นพื้น เ, พนเดียวกันเลหมดเลยจใ <น S 2> ยยจยากา จ, ากจังใจก็ใจก็ได้สัมผัสกับความรู้วันี้ที่เกิดขึ้น เราที่ไม่ได้จินตนาการเนี่ยผลนั้นอันนี้ไม่ได้จิตนาการเราเพอยากจินตนาการตอนเผาท่นั้นเองขณะจิตมันมันรั่มรวมเรามันแยกออกจากร่างกายแล้วร่างกายฟุบกายเป็นดิกลายเป็นคิดเท่ามันมันเป็นเหมือนกับมันมันไม่ได้จิตนาการมันมันมันเกิดปรากฏให้เราสัมผัสได้เหองเพราะร่านกายมันก็เป็นโฉนของดินเองอยู่เต็มดินมาตลอดเวลามันแต่ละแยกมันออกมาจากดินคอนี้มันก็ยังอยู่บนดิน มันก็กลายเป็นดินไปเปวลาเผาร่างกายไปหมดไอ้าตุอะไนี่มันก็ถูกไฟเผาแยาออกไปหมดก็เหลือแต่ดินหมดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่ทําไมบางทีจิตยังคิดไม่ดีอยู่เลยครับเพราะสติเรายัางไม่ไม่ต่อเนื่องบางเวลาเราก็มีสติบางเวล า, าก็ไม่มีเวลาไม่มีมันก็คิดเรื่องที่ไม่ดีได้ ก่อนนอนระหว่างนั่งสมาธิกับสวดมนต์อะไรทําให้ใจสงบมีสติกว่าครับนั่งสมาธิก็หลุดคิดฟุ้งซ่านแต่พอลองสวดมนต์บางทีก็เหมือนสวสดบาลีที่เราไม่รู้ความหมายจะมันฝึกตามคำสอนอาจารย์ครับใช่นั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนนะการสวดมนต์ น, นี้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจความหมายพอาสวดเพื่อให้ใจสงบให้มีสติไม่ต้องสนใจเรื่องความหมายก็ได้สวดบทไหนที่เราจําได้ก็ได้ เพื่อใา้ใจเราหยุดคิดปรุงแต่งพอใจเราหยุดคิดตรุงแต่ข้าใจเราก็จะสงบนอนหลับก็ก็นอนตอนนอนหลับได้ง่ายสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับเจอมแมลงภผ่มาตกใจพันเห็นตัวใจที่กําลังจะส่งไปตกใจกองหนึ่งตัวเห็นตัวหนึ่งตัวรู้ที่นิ่งนิ่งอยู่ตัวหนึ่งควรจะวางใจตรงไหนต่อไปครับ พออยากนิ่งก็เห็นตัวอยากนิ่งอีกตัวรู้นั้นก็นิ่งอยู่ควรนันเวนอย่างไรต่อไปจึงจะดีครับให้นิ่งเฉยเไปให้รหู้ให้รู้แล้วก็นิ่งเฉยเไปผมเข้าใจที่พระอาจารย์สอนแล้วว่าเกิดมาเป็นคนถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานควรทําบุญทําทานรักษาศีลให้มากที่สุดอย่างน้อยให้ถึงพระโสดาบันผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับ แต่ต้องนอกจากรักษาศีลทำทานแล้วยังต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิเจริญปัญญาด้วยแต่จะไปเป็นพระโสดาบันได้สอบถามเรื่องการประกอบอาชีพครับคือว่าผมทำสวนต้องปลูกต้นไม้ขุดดินบางครั้งขุดไปโดนไส้เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็คิดว่าทำผิดศีลข้อหนึ่งเขาแล้ว ทำให้ไม่กล้าทำสวนเพราะไม่อยากทำร้ายชีวิตเล็กๆใต้ดินเพราะกลัวพำบาบแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงชีพรู้สึกเครียดครับขอพระอาจารย์ให้คาแนะนำครับถ้าเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนอาชีพไปถ้ายังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ก็ต้องจำใจทำไปแล้วเตรียมรับกับวิบากกรรมที่เราได้ทำไว้ไปการไม่ส่งจิตออกนอกคืออะไรครับ คือไม่ให้จิตไปคิดเรื่องเรื่องต่างๆหให้จิตอยู่กับเราอารมณ์ที่เรากําหนดไว้เช่นท้าอยู่กับพุโทโธไว้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันแสดาว่าดึงจิตให้ให้เข้าข้างในด้วยพุโทโธแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธเราปล่อให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงการเรืองตั้งตอนนี้มันก็ออกนอกไปพระอาจารย์เมตตาเทศสอนเรื่องใจเรื่องเราถูกหลอกให้มาเกิด เราถูกหลอกให้ต้องมาทํางานทำมาหากินด้วยความยากลําบากครับเราถูกเราว่าโลกนี้เป็นโลกที่เราจะหาความสุขได้ไงเป็นเหมือนขุมทองที่เรามาขุดกันนะฮะเพราว่าทองที่เราได้มันทองเก๊ครับเป็นความสุขกวามเความสุขที่หุ้มความทุกข์ไว้ข้างในสอดใส่ความทุกข์ไว้ข้างในนะเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุขมากก็ แล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไปไม่หมดไปพอเปลี่ยนไปหมดไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาเราถูกหลอกเรามองไม่เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เรากลับไมองเห็นว่าเป็นโลกของความสุขเพราะเราคิดว่ามันเป็นของยั่งยืนถาวรเป็นของของเราได้มาแล้วจะเป็นของของเราแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของของเราเลยมือนก็ยืมของเขามาใช้พอเส้เวลาแล้วเขาก็มาเอาคืนไป เ ร, เ, เราก็เมาเกินไปแเราก็เรวก็เศร้าแล้วก็ทุกข์เนี่ยความลองไม่ไม่แค่เนี้ยความลองที่ไปเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาความจริงมันเป็นอนิจจังทุกข์ังอนัตตาตรงกันข้ามกันควรฝึกการปล่อยวางปรงกับเรื่องราวจะรู้สึกว่าอิสระบ่อยๆในทางโลกเหมือนไม่พยายามแก้ปัญหาแต่ทางธรรมะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น เหมือนทางสองแพร่งให้เลือกขอคำแนะนําพระอาจารย์ครับเราก็แก้ปัญหาไปตามเหตุตามผลไงคือเราไม่ไปบุ้งว่าเราจะต้องแก้ให้ได้เสมอไปแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปคือปล่อยวางไงหรือว่าเราไม่เราไม่ไปทุกข์กับมันแก้ได้เราก็แก้ไปไม่แก้ไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันไปอยู่กับมันไป จะวางใจในความทุกข์ในครอบครัวอย่างไรดีครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขไม่ได้ตอนที่โยมแม่พระอาจารย์เอาเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินไหมพระอาจารย์เซ็นตอนนั้นพระอาจารย์ไม่สนใจในทรัพย์สมบัติที่ดินแล้วใช่ไหมครับมันกลายเป็นเรื่องของภาระที่จะต้องมาคอย ตอบจดหมายเส้นส่งจดหมายกลับไปกลับมาพักกว่ามันลงทานมากกว่าแล้วอยู่ในป่า น, นั้นส่งจดหมายมันก็ต้องฝากคนเข้าไปส่งในเมืองเองก็เลยไม่อยากจะยุ่งก็เลยว่าแม่ออนไว้เป็นชื่อมากป็นดีกวาจะได้ไม่ต้องมาคอยให้ส่งมาแล้วจะมีใครรางวาดัดช่างที่นก็ต้องมาส่งมาให้เช้นชื่ อ, อ <S <S รเรื่อยๆแม่เก็บไว้เถอะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีที่ยิน มันก็ไม่ใช่แปลงยปหย่แปลงใหญ่แปลไม่ถึงไร่แล้วแปเจ้ามันเป็นภาระมันเป็นเรื่องที่ทําไปนึงไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรสําหรับเราเจ็บป่วยทุกทรมานทั้งกายและใจหาหมอแล้วแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ควรจะทําอย่างไรดีครับก็ทําใจทําดีที่สุดแล้วก็อยู่กับมันไปหายก็หายไม่หายก็ตายหรือไม่หายก็อยู่กับมันไป มีทส้ามีทางไสองทางสามทางหายหรือไม่หายหรือตายก็มีแค่นี้ก็ทำใจพวกพระคาถาต่างๆถ้าทำจิตไม่ถึงฌานจะใช้ได้ผลไหมครับเช่นคาถาต่อกระดูกครับอันนี้ไม่ทราบ ไ, ไม่ได้ศึกษาทางนี้มา อยากเริ่มนั่งสมาธิควรจะนั่งกี่นาทีครับตอนนั่งควรคิดถึงอะไรบ้างครับคือการจะนั่งได้นานไม่นานนะีึ้นอยู่แบบว่าเรามีสติมากไม่น้อยถ้ามีสติมากก็นั่งได้นานมีสติน้อยก็นั่งได้ไม่นานถ้าได้อยากจะนั่งได้นานเราก็ต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งพราะเราจะต้องควบคุมใจให้อยู่เฉยๆไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ การจะไม่คิดเรื่องนี้เรื่นั้นเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุกใจมา ก, ก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราไม่มีสติเลยถึงว่าเราจะตั้งเวลาไว้กี่นาทีก็ตามบางที่เราก็จะนั่งไม่ได้เพราะใจมันจะลิ้นใจมันจะลุกใจไม่ไม่อยากจะนั่งเพราะงั้นเรื่อต้นเราพยายามฝึกสติก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสติเราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพอลืิตาขึ้นมาแล้วก็ ทำพุทโธพุทโธไปภายในใจอันนี้ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาอยู่พุทโธไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนถ้าเราสามารถมีพุทโธอย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธิเราก็จะ น, นั่งได้นานในสมัยพระอาจารย์อยู่บ้านปฏิบัติเองต้องกําหนดไหมครับว่าตัวเองต้องเดินจงกรมกี่ชั่วโมงนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงมีการสอนในภาวนารูปแบบ ไม่หรอก็ทําไปตามความรู้สึกถ้านั่งแล้เบื่อก็ลกุกมาเดิ น, ดนเดานแล้วเบื่อก็มาอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปมาอย่างนี้ข้อที่สองไม่ทราบว่าอะไรคือการทํารูปแบบและอะไรคือไม่ใช่ครับและคนที่ไม่ทําในรูปแบบเลยคือนักชกที่ไม่ซ้อมใช่ไหมครับเลวลาแต่บางคนบางคนบางคนไม่ทําตามรูปแบบก็ไม่ทําเลยก็เรยต้องกำหนดรูปแบบขึ้นมาเพื่อบังคับ เป็นตงเดินหนชั่วมองนั่งหนึ่งชั่วโมองอันนี้ก็แล้วจต่คนแล้วแต่จริอกของแต่ละคนบางคนสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบก็ทำไปตามอัตยาศัยก็ได้ผลทางมาัชฌิมาปฏิปทาต้องตั้งสติแบบไหนครับเพื่อให้ดำเนินได้เพื่อการหลุดพ้นครับก็เนี่ยมีสติทั้งวันให้มีจิตผูก ผูจิตไว้อยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมาฐานจะอยู่กับพุโทโธก็ได้จะอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ให้เราผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องของร่างกายหรือให้อยู่กับคบําบริกรรมพุทโธไปทั้งวั น, นเวลามานั่งเราก็นั่งแล้วก็จะมีสตินั่งสมาธิได้นานได้สงบ มาในยุคนี้ไม่ต้องรอสร้างบา ร, รมีอะไรแล้วใช่ไหมครับเอาตัวเองให้ได้พิพานให้ได้ก็พอแล้วผมเคยอ่านที่หลวงปูล่ลีท่านสอนพระเนนว่าปฏิบัติให้ได้ผลทุกขก็พอแล้วครับพราะฉะนั้นแหละเพราะบา ร, รมีมันก็เป็นเป็นเป็นเครื่องมือที่จะทําให้มนุษย์ทําได้ด้วยตนเองแต่ตอนนี้เรามีคนสอนแลนะมีพระเจ้าสอนนี่เขาทาคําสอนในพระน่นมาสอนพวกเรา แล้วก็ทำตามที่พระผู้เจ้าพระหลานสอนถ้าทำปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ก็พอนั่งสมาธิรู้สึกสงบหลับสบายควรฝึกเพิ่มความนานให้มากขึ้นอย่างไรครับก็ระหว่างวันเล่าฝึกสติเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันขอากาศครับอาจารย์ จะทำยังไงให้เลิกลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยและการปฏิบัติของตัวเองครับก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าศึกษาการทำคำสอนของพระเจ้าศึกษาประวัติของพระอรหันต์ศรัาลงแล้วคำลังเลสงสัยก็จะหมดไปเราทําพินัยกรรมให้บริจาคเงินให้วัด เราได้บุญไหมครับตอนทำวิญญากรรมนี่ยังไม่ได้บุญนะตายไปก็ไม่ได้บุญอยู่ดีถ้าอยากจะได้บุญต้องทําต้องบริจาคไปเล ย, เลยในขณะที่เรามีอย่างมีชีวิตอยู่ถ้าเราท่องพุโทโธตลอดเวลาแต่เราต้องทาํางานเมื่อไหร่เราถึงหยุดครับเมื่อเวลาที่เราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงาน ถาเรา้อใช่ความคิเดเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็พักพุทโธรว่าเชื่อข้าวมาพอคิดเรื่องงานเสร็จแล้วใจว่าไม่คิดเรื่องอืง่นนะก็เดินกลับมาให้อยู่กับพุทโธต่อไปคอยห่างใจไม่ให้ไปคิดเรื่องเรื่องสเปซสปะเรื่องเรื่องเร่องไม่จําเป็นที่เราคิดนะพุทธทําคู่กับลมหายใจเข้าออกกับพุทโธโดยไม่ทําคู่กับลมหายใจเข้าออกมีผลต่างกันอย่างไรครับแล้วแต่บุคคลอันนี้แล้วแต่บางคน ต้องมีสองอย่างนจะทำให้จิตสงบบางคนไม่ต้องมีสองอย่างมีอย่างเดียวก็ทำให้จิตสงบได้อันนี้แล้วแต่เมื่อ<ด>แต่จลิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราคือจิตเราคือาธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เราไม่เคยเกิดมาบนโลกนี้ประโยคนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์คือเราคือผู้รู้ผู้คิดเราเรียกเป็นธาตรู้นะ ที่มาครอบครองร่างกายนี้โดยส่งกระแสของจิตมาเกาะที่ร่างกายจิตนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกนี้จิตอยู่อีกโลกหนึ่งท่รียว่าโลกทิพย์แต่ไม่บยสุดธินแต่ไม่สายบริสุดทั้งนั้นเป็นใจที่มีกิเลสปัญหาการสร้างสติสมาธิทำได้ทุกอริยบทใช่ไหมครับ ไช่สติที่ทำได้ทุกขียาบทแต่สมาธิต้องอยู่ในทา น, นั่งคือสติกับสมาธิต่างกันสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิคือความนิ่งของใจการที่จะทําใจให้นิ่งได้นั่นหมาสติคอยผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวเช่น อ, อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจนี่เวลาจะทําให้ใจนิ่งร่างกายต้องนิ่งก่อนเพรานั่งเฉยๆแล้วก็ใช้สติ ผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เพื่ออรมหายใจเข้าออกถ้าอยู่กับลมหายใจให้ออกได้ไม่ไปคิดเรืเ่องนๆนี้ได้จิตก็จะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเวลานั่งสมาธิในช่วงที่ไม่สบายไอเป็นพักๆใจก็กลับมาพิจารณาว่าอ๋อตอนนี้ไอนะเจ็บคอนะก็เลยต้องเริ่มใหม่พุทธโธอีกแบบนี้ถูกต้องไหมครับหรือว่าควรพิจารณาอย่างไรครับไม่ต้องพิจารณาก็ได้กลับมาที่พุทธโธเลย ดูลมหายใจหาจุดกระทบของลมที่ชัดเจนไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับการดูไปก่อนดูภาพรวมไปก่อนว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าลมอยู่ทางไหนอ ย, อยู่ข้างในเวลาเข้ามันรู้สึกเข้าเข้าไปข้างไในหรือเปล่ามีความรับรู้ความรู้สึกของลมได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องอาศัยการบริการพุโทโธไปก่อนก็ได้ในการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ายังดูลมไม่ได้ ตอนนี้เหลือสองคำถามนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจะสง่งคำถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับเวลาทํางานรู้สึกเบื่อหน่ายแต่พอนูึกว่าจะได้ออกงานและหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตจะมีอิสระบ้างตอนมรณะโยมกําลังมาถูกทางไหมครับคือป่านนี้อายุมากแล้วครับถ้าไปทางธรรมได้ก็ถูกทางถ้าไปทานการปฏิบัติธรรมได้ก็ถูกทาง เวลาพ่อป่วยมะเร็งปวดมากแล้วลูกบอกให้แพทย์ให้มอร์ฟีนทั้งที่รู้ว่ามอร์ฟีนโดสสูงพ่อจะหลับไม่ฟื้นแต่เพราะไม่อยากเห็นพ่อดิ้นท ร, รมานมอร์ฟีนทำให้พ่อสงบแบบนี้ควรหรือไม่ควรครับควรให้พ่อบอกแพทย์ไว้เองก่อนไหมครับอันนี้ก็เป็นการุณยฆาตให้มอร์ฟีนได้แต่ให้เพื่อในระดับเชื่อดับความเจ็บปวดได้แต่ไม่ถึงกับทาให้นอนหลับไม่ตื่น ถ้าเรารู้ว่าทำแล้วทาให้ท่านตายนี่ก็แสดงว่าเรามีเจตนามันก็บาปแต่ถ้าหมอเขาให้เกินโดยที่เขาไม่รู้ว่าคนไทยไม่สามารถรับขนาดนี้ได้อันนี้ก็ไม่บาปอยู่ที่เจตนาว่าต้องการให้เขาตายหรือไม่ให้เขาตายพระอาจารย์ทาสมาธิเวลาไหนบ้างหรือทุกเวลาที่นึกได้เลยครับ อันนี้ก็ต้องขออภยัยนะครับทำทำอยู่เรื่อยๆมีเวลาว่างก็ทําปัญญาจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ชาญแล้วใช่ไหมครับไม่ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นได้โ ด, ย, ดยอัตโนมัติปัญญาเกิดขึ้นจากการศึกษาหรือจากการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา ทำงานกับเจ้านายที่มักกดดันขู่บ้างเพื่อให้ใช้ความคิดตลอดและมักใช้คําถามกระตุ้นให้เราต้องตื่นตลอดบางครั้งรู้สึกเหนื่อยกังวลไม่สบายใจและกายใจไม่ปกติเราควรฝึกตนเองรับมืออย่างไรครับก็ต้องอดทนเนี่ยต้องต้องยอมยอมรับสภาพอย่าไปต่อต้านเขาเขากดดันมาเราก็ต้องยอมรับกับการกดดัน เพราะเราถือว่าเราเป็นผู้ที่เราจะต้องรับคำสั่งจากเขามาเขาพยายามทำตัวเราให้ใหเเเ้เป็นเป็นเขาจเป็นบ่าวทาใจให้เป็นแก้ยอยามรับคำสั่งทุกคาสั่งใจก็จะไม่ไม่รู้สึกกดดันทำไมท่องพุโทโธถึงทำให้ใจสงบได้ครับเพราะพุทโธเป็นคำที่ไม่มีอารมณ์ ไม่จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์กิดความวุ่นวาจาขึ้นมาไม่เมืนคิดถึงเรื่องการเรื่องตั้งตนน่าเนี้ลองไปชินอยู่เลยจ mm hmm. ต้องเครียดขึ้นมาแล้วใครจะเข้ามาใครวิธีก้าการวิธีการข้ามเวทนาทาอย่างไรครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือการใช้สติใช้คำบริกรรมเวลาอาการปวดขึ้นมาเราก็บริกรมม ร, กรมมือสวนมนไปอย่าไปสนใจกับอาการปวด ส่วนไปบรกิกรรมไปเดี๋ยวจิตสงบก็จะข้าขอาการปวดไปได้อีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญาอันนี้ต้องใช้เป็นขั้นที่สองต้องรอให้มีให้ผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนแล้วขั้นที่สองก็คือใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เราห้ามไ ม, าไม่ได้บังคับก็ไม่ได้การที่เราจะไม่ทูกกเขาก็คือเราต้องอยู่กับเขายอมรับเขาให้ได้แย่าไปอยากให้เขาหายไป พอเราหยุดความอยให้ก็หายไปได้ให้ยอมรับอยู่กับเขาได้เราก็สามารถข้ามข้ามทุกขเวทนานี้ไปได้แต่ต้องเป็นขั้นที่สองต้องขานผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนืก็ขานผ่าน ข, นขั้นสติก่อนถึงจะมีกําลังที่จะสามารถที่จะมาวิเคราะห์ต้อสอนใจให้ยอมรับกับทุกขเวทนานี้ได้สมาธิกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับ ธรรมที่คือความสงบเน่งของใจการพักผ่อนใจส่วนวิปัสนาคือการทำ ง, งานของใจโดยการศึกษาด้วยปัญญาให้เห็นธรรมชาติของร่างกายและสิ่งต่างๆที่ใจมันเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอนิจจังทุกขงังนะครับแต่ที่คำถามก็มาเต็มเลยกับอาจารย์ หากผู้ปฏิบัติเห็นเสียงที่พูดอยู่ในใจเห็นความคิดอารมณ์และอาการรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ขอเกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายหากตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้เป็นประจำทุกวันจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้จริงหรือไม่ครับก็วิธีที่จะมนุษย์ทําได้ก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานจะละกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจคือความอยาก ถึงจะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่จารอธิษานก็ขอยเป็นรลาตุสุดท้ายนี่มันมันอันนี้เป็นเป็นผลเป็นผลเราไม่สามารถที่จะไปอธิษฐานที่ผลได้เราต้องไปอธิษฐานที่เหตุที่จะทําให้เราไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปก็คือการละความอยากต่างๆ ท, ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปตอนนี้เราจะหยุดความอยากอยากกินไ๋วยเดี๋ยวก็ไม่กินอยากดูหนังฟังเพลงก็ไม่ดูอยากจะมีแฟนก็ไม่มีอยากจะร่ําอยากจะรวยก็ไม่เอา อย่างนี้เป็นตนอย่างนียหยุดความยการมาเกิดได้ต้องมาหยุดที่ความอยากต้องจตตั้งจิตอธิษฐานหยุดความอยากอย่าไปตั้งจิตอธิษฐานก็ให้พันชาติสุดท้ายนี้ขออย่นี้มันไม่เกิดเป็นผลขึ้นมาโยมสวดมนต์แล้วก็นั่งไม่ได้เดินจะได้บุญน้อยกว่าเดิมไหมครับก็บุญมากบุญน้อยก็อยู่ที่ ความสง บ, บสง บ, บมากก็ได้บุญมากสง บ, บน้อยก็ได้บุญน้อยถ้ายังไม่สง บ, บก็ยังไม่ได้บุญเลยน่า แ, แต่ความเพียรเบื่อชีวิตเห็นอะไรคิดว่ามีวันหมดอายุจิตเป็นอะไรคทาทั้งๆที่ทางโลกไม่ทุกแต่เบื่อชีวิตครับอาจารย์เพราะไม่มีความสุขไม่มีความสุขในใจแล้วก็เห็นสินนงธรรดาในโลกนี้เป็นขางชั่วข้าวก็เลยเบือ่อ ต้องสร้างความสุขในใจคือด้การทําสมาธิหรการทําบุญทำทานก่อนแล้วก็พอมีความสนใจมันก็จะไม่เบื่อเราต้องรวมสมาธิก่อนถึงจะพิจรารณานได้ใช่ไหมครับป้าอาจารย์เบื้องต้นต้องฝึกสติจนรวมเข้าสมาธิได้ก่อนใช่ไหมครับถูกต้องเวลาเข้าสมาธินี้แสดงว่าเรามีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ เรายังเข้าสมาธิไม่ได้จะแนว่าเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสไปพิจารณาทางปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะปัญญาจะพิจารณาให้เห็นว่าตัวกิเลสเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องหยุดกิเลสเราจะวางจิตอย่างไรกับสังคมรอบตัวปัจจุบันที่ดีและไม่ดีที่มากระทบครับก็เป็นเรื่องเหมือนของดินฟ้าอากาศเราก็ควบคุมมังครับไปสั่ง สังคมไม่ได้ทังคมก็เหมือนกับรินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกก็มีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่สั่แต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางทั้งนึงรู้แล้วก็ปล่อยวางนึนน ก, กวา่าเขาเป็นอย่างนี้อย่าประยากเปลี่ยนเขาอย่าประยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็น หลายครั้งเห็นความคิดเปลี่ยนไปมาและทําให้จิตใจหดหูโยมเลยใช้ดูลมถี่ขึ้นทําให้ความคิดนั้นดับไปแต่ไม่สนิทหลับไปเช้าขึ้นมาความคิดเมื่อคืนหายไปมีความสุขมากขึ้นชีวิตวนเวียนแบบนี้จะเป็นตลอดถึงตายไหมครับไม่หรอกถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นความคิดก็จะลงไปเรื่อยๆความสุขก็จะมีมากขึ้นมาเรื่อยเรื่รต่อไปใจเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลย มีคนพูดการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนแก่ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ปฏิบัติธความอดทนจากความทุกข์ใครต้องการอดทนจากความทุกข์ต้องปฏิบัติธรรมทุกคนถ้าสัตว์เลี้ยงของเราขับถ่ายไม่เป็นที่เราไปห้ามไม่ให้เขาขับถ่ายและอุ้มนําไปยังที่สมควรจะถือเป็นบาปที่ขัดขวางการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงไหมครับออไม่หรอกเป็นการสั่งสอนยัน ถ้าเราไม่ส่งสอนเราไรู้ว่าที่ไหนควรและไม่ควรถ้าเราบริจาคเงินในชื่อคุณแม่และคุณแม่อนุโมทนาบุญนั้นคุณแม่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมครับขึ้นอยู่ว่าเป็นเงินของใครแล้วก็เป็นเจตนาของใครถ้าคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเงินของคุณแม่ไม่ได้เป็นเจตนาของคุณแม่คุณแม่ก็จะได้รับเพียงแุโมทนาบุญนะซึ่งไม่ใช่เป็นทานแล้วก็ระบุนกัน ทำบาปแบบไหนถึงทําให้เกิดมาเพี้ยนป่วยทางจิตหนูจะได้ไม่ทําบาปนั้นเพราะถ้าเกิดต้องกลับมาเกิดอีกกลัวการเกิดมาเป็นคนเพี้ยนป่วยทางจิตครับก็ทําทบาปด้วยการไม่มีสติทําทําะไรตามอารมณ์ต่างๆไม่มีสติยับยัง้งกิจการเป็นคนเพี้ยนได้ไม่นอ ก, กสติอิ่งเดี๋ยวทําทรายตามอารมณ์ใช้สติใช้เหตุใช้ผล ถ้าเราช่วยเรื่องเงินกับคนอื่นจนทําให้ครอบครัวเราเดือดร้อนแบบนี้เบียดเบียนครอบครัวและตัวเองไหมครับก็เบียดเบียนเนี่ยถ้าเดือดร้อนก็เบียดเบียนไม่ต้องรู้จักความพอดีช่วยคนอื่นได้แต่ก็ต้องอย่าให้มาทําให้ตัวเราเองต้องเดือดร้อนด้วยนอกจากว่าเรารับประคำเดือดร้อนได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนบางคนอาจจะเป็นแบบโพธิสัตว์เขายินดีที่จะเดือดร้อนเพื่อช่วยคนอื่นก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะเลือกเรา คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับถ้าเราทําสมาธิให้มากไม่ช้าจะทําให้เกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดหรอกปัญญากับสมาธิเป็นคนละเรื่องกันสมาธิเป็นการทํทาใจให้สงบปัญญาต้องเกิดจากการคิดปรุนแต่คิดไปนในทางปัญญาคิดไปนในทางเหตุทางผลที่งจ่เกิดปัญญาขึ้นมาขอโอกาสกับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆนฟังอยู่ในเฟซ สาม้ 3, อยเจ็สิบสามในยูสี่ร้อยเจ็ดสิบในคลับสี่ในติกตอสามร้อยเก้าสิบสองนะครับรวมหนึ่งพันสองร้อยสมสิบเก้าคนครับอาจารย์ครับคงยังไไ่ติดตามข่าวข่าวเรื่อต่างกันแล้วนะตอนนี้ครับกบ็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาธรรมรว่าคงยังเป็นประโยชน์มากไม่มากก็น้อยสำหรับการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแกเวลา ขอให้ท่านจงทำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพลิดพิจานาไปปฏิบัติเพื่อความสุดความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาทุเาต่อไปนี้ก็ขอลาคุณหมอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัาาดข้องอันใดก็คงจะได้พบ ก, กันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ